เรื่องที่21เมื่อเขาเป็นอื่นเรื่องอนิจจังที่ว่ามาแล้วในบทว่าด้วยความเสียดายนั้นเป็นการพิจารณาอนิจจังชั้นเดียวแต่ความจริงอนิจจังมีถึงสชั้นในบางเหตุการณ์เราจะต้องดูอนิจจังทะลวงเข้าไปให้ครบทุกชั้นจึงจะรักษาความสงบไว้ได้ก่อนอื่น โปรดแยกสิ่งต่างๆในโลกออกเป็นสองประเภทคือของบางอย่างเป็นวัตถุล้วนๆกับบางอย่างเป็นวัตถุที่มีใจครองกระดาษปากกาแก้วน้ำต้นไม้ที่ดินและอื่นๆพวกนี้เป็นวัตถุล้วนไม่มีใจคือเป็นของอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเท่านั้นคนหมาแมวนกวัว มาและอื่นๆพวกนี้เป็นวัตถุมีใจคือร่างกายเนื้อตัวของเขาเป็นส่วนวัตถุความรู้สึกนึกคิดคือวิญญาณของเขาเป็นใจที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นอนิจจังในวงเล็บกรุณาดูบทที่ว่าด้วยเรื่องเสียดายด้วยวงเล็บปิดนั้นมันเป็นทั้งหมดนี่แหละวัตถุก็อนิจจัง ใจก็อนิจจังส่วนที่บอกว่าอนิจจังมีสี่ชั้นนั้นคือทางวัตถุมีอนิจจังสองชั้นคืออนิจจังทั้งตัวชั้นหนึ่งกับอนิจจังเฉพาะบางส่วนอีกชั้นหนึ่งโปรดนึกถึงตัวคนคนหนึ่งเราเห็นเขาอยู่ทุกวันวันนี้ก็อยู่วันนี้ก็อยู่ก็ยังเป็นคนเดินไปเดินมาอยู่ ดังนั้นต่อมาเขาตายลงเขาหายไปจากบ้านเราจึงเห็นว่าเขาอ น, นิจจังคือเกิดแล้วตายดูอ น, นิจจังอย่างนี้เป็นการดูชั้นนอกเห็นแต่อ น, นิจจังใหญ่ไม่เห็นอ น, นิจจังเล็กที่ซ่อนอยู่ข้างในคือถ้าดูกันอย่างละเอียดแล้วตัวคนคนนั้นแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขายังอยู่แต่ความจริงอวัยวะต่างๆ ในตัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะไม่มีหยุดเลยผมบนศีรษะก็ค่อยๆขาวไปฟันในปากก็ค่อยๆโยกไปหนังหุ้มตัวก็ค่อยๆเหี่ยวไปแก้มก็ค่อยๆต่อไปในตาก็ค่อยๆฟ้าเข้าเส้นสายค่อยๆหย่อนยานไปรวมความมันเป็นของมันทุกส่วน นี่คืออนิจังชั้นในของวัตถุต่างๆถ้าจะดูอนิจังกันให้จังๆแล้วก็ต้องดูจนกระทั่งเห็นวัตถุต่างๆในโลกนี้มันเดินทางอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ทางจิตใจก็มีอณิจังสองชั้นคือการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่น ตกลงใจเป็นสามีภรรยากันมา1ิปีแล้วเกิดเปลี่ยนใจเป็นอย่าร้างกันหรือบวชมาตั้ง1ิบพรรษาแล้วเกิดเปลี่ยนใจศึกมาเป็นคารวะานี่คืออนิจจังของใจแต่เป็นอนิจจังชั้นนอกถ้าดูเพียงชั้นนอกนานๆเราจึงจะเห็นใจอนิจจังสักครั้งหนึ่งต้องดูอนิจจังชั้นในด้วยจึงจะดีแท้ คือความกลับกรอกของใจเช่นในช่วงรักของใจนั่นเองอย่างเช่นเราเห็นผัวเมียคู่หนึ่งรักกันมาตั้งสิบปียี่สิบปีไม่เคยเลิกร้างกันเลยแล้วเราพูดว่าเขารักกันยืดตลอดต้นตลอดปลายแต่ความจริงแล้วเขามีเกลียดกันเป็นตอนๆเหมือนกันรักก็รักแต่มันมีเกลียดอยู่ข้างใน เป็นประเภทรักยัดไส้ถ้าจะดูอ น, นิจจังของใจให้สนุกอีกทีต้องดูการแต่งตัวของผู้หญิงขอโทษด้วยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มีอันจะกินทั้งหลายให้มีวันเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนทรงทุกเช้าทุกเย็นทุกวี่ทุกวันแต่ละงานขอให้แต่งกายอ น, นิจจังไปเรื่อยเรื่อยิ่งชอบแล้วก็แข่งขันกันว่า ใครจะมีชุดแต่งกายไว้แสดงว่าตนอั น, นิีจังมากกว่ากันช่างชอบอ น, นิจังกันเสียจริงๆแต่ก็อย่างว่านั่นแหละจะว่าท่านชอบอั น, นิีจังนักก็ไม่ได้พอโดนคุณผู้ชายเกิดอั น, นิจังขึ้นมาบ้างก็เอกตโรลั่นทีเดียวหาว่าผู้ชายหลายใจทีนี้มาถึงเรื่องที่จะพูดแล้วก็เป็นเรื่องอั น, นิจังนี้เอง แต่ต้องการพูดเฉพาะทางจิตใจเท่านั้นคือการที่เราจะหวังอะไรต่างๆจากสิ่งใดก็ตามต้องคิดไว้เสมอว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นอนิจจังไม่แน่ไม่นอนถ้าสิ่งที่เราหวังนั้นเป็นวัตถุท่านว่าให้เอาหนึ่งทิ้งหนึ่งคือให้หวังไว้แต่เพียงครึ่งเดียวอย่างเช่นหวังว่าปีนี้ ทุเรียนจะได้ผลดีมากคงจะขายได้เงินหมื่นบาทก็ให้หวังได้แน่สัก5 0 0พันอย่าให้เกินคือยกอีกครึ่งหนึ่งเสียภาษีให้อนิจจังไปเสียทีนี้ถ้าสิ่งที่เราหวังนั้นเป็นสิ่งมีจิตใจของมีใจนั้นมันอนิจจังของมันถึงสี่ชั้นท่านว่าให้ท่านทิ้งสเอาหนึ่ง คือให้หวังที่จะเป็นจริงอย่างว่าสักหนึ่งส่วนอีกสามส่วนยกให้อนิจังเขาไปอย่างเช่นเราไปรักใครอยู่คนหนึ่งตกลงอะไรกันไว้บ้างก็ให้คิดถอนไว้ในใจเราเสมอไปเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับเราแน่หูเราฟังปากเรารับแต่ใจเราก็ให้คิดว่าแน่หนึ่งส่วนไม่แน่สามส่วนเขาบอกว่า เขาจะไม่ทิ้งไม่คว้างเราตลอดชีวิตก็ให้คิดไว้ว่าเขาอาจอยู่กับเราเพียงหนึ่งในสี่ของชีวิตเขาบอกว่าจะรักเราคนเดียวก็ให้คิดว่าเขาอาจจะรักคนอื่นอีกสามคนพร้อมๆกับที่รักเราถ้าเขาบอกว่าคุณเป็นดวงชีวิตของหนูคนเดียวก็ให้คิดไว้เลยว่าเขาได้บอกเราว่า คุณเป็นดวงชีวิตดวงหนึ่งในสี่ดวงของหนูคนเดียวถ้าเขาบอกว่ารักหนูคนเดียวในโลกก็ให้คิดไว้เลยว่าเขาบอกเราว่ารักหนูคนเดียวกับอีกสามคนในโลกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกเขาหรือเขากโกหกตอแหลกับเราก็เปล่าทั้งนั้นเขาไม่ได้โกหก แต่เนื่องจากเขาครองอา น, นิจังอยู่ถึงสี่ชั้นทั้งกายทั้งใจเขาน่คิดว่าจะแน่กับเราอยู่แต่ว่าอา น, นิจังในตัวเขามันจะยอมให้เขาแน่นอนกับเราเพียงไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งการที่เราคิดลดไว้สามในสี่อย่างที่ว่ามาแล้วไม่ใช่การดูถูกดูหมิ่นตรงกันข้ามกลับเป็นการให้เกียรติแก่เขาและแสดงว่าเรารักเขาจริง เพราะได้ยอมรับรู้อนิจังในตัวเขาด้วยเรียกว่าเรารักทั้งตัวเขารักทั้งใจเขาแล้วก็รักทั้งอนิจังของเขาด้วยถ้าเมื่อเขาเกิดไม่แน่นอนขึ้นมาทีหลังเราก็จะได้รู้สึกว่าอนิจังได้เล่นงานคนรักของเราเขาแล้วน่าเห็นใจเขาแล้วเราก็ต่อว่ากับอนิจังว่าโอ้อนิจจาเอ๋ย